ก็ผมถามตัวเองทุกวันเนี่ยครับเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ค่อยพิจารณาสิ่งนนะก็ผมเข้าใจว่านะฮะว่าไอ้กิเลสมันหนาเหลือเกินมันตันหาทิฏฐิมาหน้านี่มันท่วมทนเหลือเกินอะมันหนามากอะครับคือว่ามันไม่ค่อยเห็นโทษคือว่าถ้าหากว่าเราจะพิจารณาอะไรนะว่า ไอสิ่งนี้เป็นกิจการงานของเราที่ต้องเอาจริงาากับจริงกับมันนัแสดงว่าเราต้องเห็นประโยชน์จากสิ่งเนี้นะแต่จริงๆแล้วเรานี่นะครับถ้าหรือเห็นว่าเห็นประโยชน์ว่าต้องพิจารณางี้ใช่ไหมหรือว่าเราต้องไปเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้น้ว่าเออต้องอันนี้สิ่งนี้มีโทษนะพิจารณาแล้วจะได้จะได้พ้นโทษอะไรอย่างงี้ใช่ไหม<ะ>ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นโทษของอันนี้ครับคือถ้าถ้าแบบพู้การกล่าวเนี่ยมันเป็นอย่างไงใช่ต้องแบ่งเป็นสองส่วน แบ่งว่ า, อ, าอุปาทานขันห้านี่นะไม่พิจารณากับพิจารณาเนี่นะคือเราไม่เห็นโทษของการไม่พิจารณาใช่ไหมไม่เห็นคุณของ การพิจารณานนะแล้วก็อุปท า, านขันห้าอย่างเช่นชาติชารามรณะเป็นต้นะอันนี้ผู้การเป็นอย่างไงนะคนอื่นว่าต่อหมอยุพินทำไมจึงไม่พิจารณาตอนนี้ก็เริ่มพิจารณาบ้างแล้วนะ เ, เอาแต่ก่อนนะ เพราะว่าอาจจะฟังน้อยสะดับน้อยแล้วก็โยนิโสน้อยแล้วก็เห็นเห็นโทษน้อยโทษของวัตตน้อยนะคะแล้วความเพียรก็ย่อหย่อนความขี้เกียจมากอินทรีย์อ่อนหมดทุกอย่านเวนจากขุนสีเป็นต้นนช่นห ไม่ค่อยเห็นโทษสแวถเถอะอหมอห้านาทีวินาทีคือคือาจตเองจริงๆลวมตัวเองจริงๆเลยนคือไม่ต้องไปคิดอะไรจริงเป็นงทำไมเราไม่เจริญ น่าจะเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟังยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ยังไม่ค่อยซึ้งเท่าไหร่ที่หมายถึงว่าซึ้งพอที่จะเอาไปคิดแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีอะไรที่จะต้องทำอยู่พอสมควรแล้วก็ท่องหกปิ จ, จาร์อยู่มันก็อะไรก็กุ้มลมอยู่เยอะเหมือนกันมีกิดมากกิดท่วมทับเลยทาให้ไม่ค่อยได้พิจารณาฟังอยู่สี่ปีก็ไม่ค่อยเข้าเลยเข้าใจแล้ว มรสการค่ะอาจารย์อันถ้าเมื่อก่อนนี้ไม่พิจารณาเอาเมื่อก่อนนี้เพราะว่าเราคิดว่ามันมันไม่ใช่ความทุกข์ันเป็นสุขสุขแล้วก็สวยอะไรก็สวยอะไรก็งามหมดอะไรก็ดีไปหมดเที่ยงเล่านี้ของเราหมดทุกอย่างพี่านตแต่เมื่อมันเป็นของเราไม่รู้พิจารณาทำไมเนาะแล้วถ้าตอเไปนี้ก็เนี่ยค่ะลัง กำลังทำเกตอยู่สาธุอาจารย์เกตมั่งคือสมัยก่อนที่ย pues ังไม่ได้มาเรียนก็ยังว่าไม่มีความรู้นะคะแล้วก็ถึ่งมาเรียนแล้วก็รู้แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ปฏิบัติให้มันมากก็อย่างท่านว่าอินทรีย์มันค่อนข้างอ่อนไม่ใช่ค่อนข้างอ่อนอ่อนจริงๆแต่นี้ถามว่าทําไม คือบางทีมนุษย์เราก็คงเป็นนี้มนุษย์คนนี้นะคะฉันให้คนนี้ว่าบางทีเรามักจะ ม, มองไม่เห็นว่ามันที่จริงรู้น ะ, ะวา่าที่เรียนไปเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเหมือนกับว่ามันไม่ใช่เร่งร้อนเหมือนปิีาเ <ฤษ S 1> มืม่อรไรก็ได้มันไม่เหมือนอถ้าเป็นมะเร็ง้วมันเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้นะแต่ว่าอันนั้นมันเหมือนกับว่าเหมือนยังยังอยู่อีกยาวนาน เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวผงข้าวก่อน <c oughs> เดี๋ยวไปซื้อของก่อนอะไรไหมคะ เ, เดี๋ยวไปรู้ส<ม>ึกมันอะไรดูเหมือนอันอื่นมันจําเป็นมากกว่าแต่ที่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่นะคะพอมันนั่งฟังแล้วก็ฟังเทปอยู่บ่อยๆนะคะก็รู้ว่ามันจะต้องทํานะแต่ว่ายังไฟไม่ค่อยไหม้อยู่บนหัวทักเท่าไหร่ก็อาจจะจริงอนะเพราะว่าเวลาเขาบอกว่าเออ มีเวลาไปฟังทำไหมเอาถ้าว่างๆค่อยไปฟังนะแสดงว่าอันนี้คือคือมันอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าโอ้โหมันต้องรอว่างรออะไรให้มันเค่ว่าหมดทางไปแล้วค่อยว่ากันอีกทีค่ะ <c oughs> มันมัน <c oughs> เป็นเหมือนแบบนั้น <c oughs> เหมือนอย่างเวลาที่เราบอกกังไข่ว่ามันต้องเป็นอย่างงี้นะต้องออกกําลังกายต้องอย่างงี้นะแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็รู้นะคะว่าต้องออกกําลังกายต้องหา อ, อ, กกกาอหาออกออะไรก็ตามนะ <c oughs> แต่ว่าเออเอาไว้ก่อน เรายังสบายอยู่อะไรเงยจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนห้องดิฉันนี้กรรมสักกามะคงยังไม่ค่อยเข้มข้นแล้วก็ยังเห็นอะไรเที่ยงอยู่ค่ะอะไรอะไรก็สุโขสมสรดูดีไปหมดยพยายามจะหาความไม่เที่ยงจนถึงที่สุด ค่ะคำตอบจริงๆที่จะตอบก็คือสุตะน้อยมากค่ะอ๋อเรียนไม่พอค่ะอย่างเช่นบางครั้งมันก็มีโยนนิสโสมนัสิการอย่างเราพิจารณาทำพิสักไอคําว่าพอเนี่ยมันแค่ไหนไม่รู้เรียนพอเนี่ยต้องเรียนไปชั่วชีวิตค่ะอาจารย์อ๋อโอ้โหเอาเ อ, อก็บางครั้งถ้าเรามีโย น, นิสโสมนัสิการเราพิจารณารมอยู่เนี่ยความรู้เลยว่าวิทยาทางจิตเนี่ยมีน้อยมากเลยนี่วอนห้ า, เามาเอาไปกินทุกทีนะคะ แล้วอย่างหนึ่งเราจะเจอกับไอ้อสสารเยอะเยอะมาก<ะ>คือคือพิจารณาเห็นโทษนี่ยังน้อยอยู่ทำให้เราไม่คือไม่เห็นทุกข์ที่แท้จริง่ะค่ะอืม<ะ>ก็เลยทำให้การเจริญธรรมนี้ไม่ค่อยเจริญมากเท่าไหร่อืมการที่เรามาได้พิจารณาในปัจจุบันเพราะเราตกอยู่ในห้วงความัมเมา เราะว่าเรานี้เราได้ฝึกได้ทํามาตั้งแต่เด็กๆเล็ก ๆ, ๆทาอย่างนั้นเอาอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนั้นมักจะมีการสอนให้เราหลงอยู่ข้างนอกนอกกายของเรามากเลยแต่ในกายเราไม่ได้ศึกษานี่มันก็พาให้ความหลงของเรานั้นตเตลิดเปิดปึงตามอารมณ์ในชีวิตของชาวโลกถ้าทั้งที่โลกนี่ก็รู้ว่ามันรกไปด้วยความไม่ดีไม่งามทั้งหลายแต่ คนส่วนมากเข้าไปยึดคนส่วนใหญมากเข้ายึดเราเองอยู่ทัพปุตติไม่ได้ฟังก็ここเข้าไปยึดตามไปด้วยดังนั้นการที่เราจะถอนสภาพการที่ว่าทำไมมองไม่เห็นเราก็ต้องมาศึกษาถึงสูตรของการเข้าไปมองเห็นแต่ที่ไม่ไม่มองเห็นเพราะ ข, ขาดสูตรการที่ได้พระอาจารย์นีรู้สึกว่าเออเรามีหลักสูตรอันดีเหมือนกันที่ก้าวเข้หาสัจธรรมอันนั้น งันสัจธรรมน่าจะเกิดขึ้นมาได้มันจะไม่ได้เกิดเองอย่างผลหมากลากไม้อะไรทุกอย่างแต่เราต้องไปปลูกไปฝังไปทําให้มันมากขึ้นมากขึ้นโดยกลายเป็นหลงต่อไปอย่างทุกๆวันนี้ผมยอมรับว่าเมื่อก่อนน้นเราเรียนกันเรียนอย่างนั้นแต่หลังจากที่ไปฟังอาจารย์นี่เอะเวลาว่างของเราเราควรจะนําสติของเราเอาธรรมะที่มีอยู่ที่เข้าใจอยู่มาติดต่อไปได้อีก หรือพูดง่ายๆสมัยก่อนต้อประมาทไปเลยเพลงกับเพลงไปเลยไปก็ไปเลยเห็นอะไรก็ไปย้อนถึงสภาพความเป็นจริงจึงทําให้เราหลงครับผมแค่นี้นะครับสําหรับผมนะครับถ้าถ้าพูดถึงเมื่อก่อนคําว่าเมื่อก่อนนี่หมายถึงว่ายังยังไม่ได้มาฟังพระธรรมจับพระอาจารย์นะครับก็ยังเข้าใจธรรมะได้ไม่ไม่ท่องแทบเพราะฉะนั้น ยังเจริญได้ไม่ค่อยได้เต็มที่เพราะไม่ไม่รู้จะยังไงไเต็มไปได้วยความสงสัยนะครับแต่หลังจากมาฟังแล้วถามว่าทําอาจารย์ถามว่าทำไมไม่ค่อยพิจารณาให้จริงจังในะคำถามที่ผมจบเมื่อกี้มันมันก็มีสองส่วนนะฮะส่วนหนึ่งก็เกิดจากปัญหาที่เราเกี่ยวข้องกับทางโลกนะครับมันมีทุกที่จะต้องสแสวงหา ที่ภาษาทางธรรมเรียกว่าปริเยสนาทุกข์นี่มันเป็นโทษของวัตตะหรือกรรมของวิบาของเราเนี่ยมันไม่ทำไม่สแสวงหามันก็อยู่ไม่ได้เพราะเราจะต้องบริโภคเราไม่ใช่พรมที่ไม่มีลิ้นไม่มีกายที่จะต้องมันต้องกินขก็ขัดถ่ายนี่เรื่องใหญ่นะครับเพียแค่สแสวงหานี่มันก็เรื่องเยอะแล้วเป็นที่มาของกิเลสกรรมเป็นเครื่องผูกอย่างมากเพราะทําอย่างหนึ่งก็ติดไปอย่างหนึ่งมันจะผูกโยงไป ก็เป็นที่มาของนิวรณ์อันหนึ่งนะครับซึ่งมันจะเบียนทั้งทั้งทั้งที่รู้ว่ามันมีโทษแต่บางครั้งมันก็ต้องมันเหมือนก็รู้ว่ามีเหยื่อแต่ก็ต้องกินด้วยความจําเป็นแล้วนะครับเพราะว่าเราเราเราต้องบริโภคหลายๆอย่างอันนี้มันไม่มีทางเรื่องที่มันทําให้เกิดที่อันหนึ่งที่เขาเรียกว่าปริโพศซึ่งพระอาจารย์เคยให้คําว่ามันตัวเดียวกับนิวรณ์นั่นแหละปริโพศแล้วก็ ผูกมากับบริหารสัพเยะได้ไม่เต็มที่อันนี้ก็ได้แต่ทำบุญและตั้งความปรารถนาวันต่อไปก็ขอให้ปริโพเทมันน้อยลงให้ทําได้สัพเพยะได้มากขึ้นอันนี้หมายถึงอันนี้อยู่ในสังเวครับว่าถูนะครับทุกจากการแสวงหาเราก็เตือนตัวเองอยู่ตลอดแล้วส่วนว่าทําไมยังปฏิบัติจริงจังไม่ได้อีกอันนี้ก็ถึงแม้จะฟังทำแล้วผมก็ยังมีข้อจํากัดอยู่ เนื่องจากว่าพื้นฐานเรามานี่เรายังไม่รู้จักหลายเรื่องยกตัวอย่างชัดๆอย่างเช่นคำว่าอภิธรรมเน่ยอภิธรร ม, มัตสังขหาผมไ ม, ไม่ได้ดังเรียนมาก่อนเลยมา5นาทีนะครับมาครั้งแรกผมรู้จกักจิตของจิตนะจิต14ก็อาจารย์เอาจารย์ธงชัยเป็นครูคนแรกนะครับที่ผมเห็นอะไรเป็นดวงเป็นดวงแล้วผมก็เออแต่แรกก็ยังง ง, งๆก็เพิ่งฟังได้เมื่อเมื่อปีรู้สึกจะ42ครับ ผมยังจําภาพพระอาจารย์มาใหม่ๆให้ตอนนั้นแต่อาจารย์อาจารย์ผมได้ฝาแต่ผมจําได้ช่วงนั้นผมยังตามไม่ดีเลยครับมองก็นั่งแถวแรกมองไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวหนังสือยังประเจอไม่ทุกขเวทนาอะไรๆแต่ตอนนี้ว่าที่สําคัญสรุปมาคือว่าผมไม่พื้นฐานไม่ค่อยเข้าใจอย่างที่พระอาจารย์เคยใช้คําว่าจิกซอนนะครภาพต่อมันบางภาพมันชัดบางไม่ชัดมันก็กําลังประมวล แต่ก็ได้ให้กําลังใจตัวเองว่าปีนี้ก็ดีกว่าปีแล้วนะปีนี้ก็ดีกว่าปีแล้วแต่ว่าที่ยังไม่จริงจังเนี่ยเพราะว่าช่างน้ําหนักแล้วกิจทั้งโลกที่พระอาจารย์ใช้คําว่าผหุกิจจานี่มันมันจริงนะครับมันมันมีส่วนที่จะเบียดเบียนทีเดียวแหละเพราะว่าเราก็พยายามแต่ถ้าเอามากๆ ม, ม, มันป่วยครับมันเห็นชัดๆแต่ผมนอนโรงพยาบาลสองครั้งจนรู้ว่าเออเราถ้าเราไม่ผ่อนอย่างอันนี้ มันเป็นความคิดที่ยังสับสนอย่างที่เราทําอะไรถ้ามันไม่มันเกินกํำลังมันก็ไม่ไหวอย่างที่พระอาจารย์เคยใช้คําพูดผมก็ต้องเก็บมาคิดเหมือนกันเห็นสมัยก่อนท่านเดินยนเท้าแตกแต่ท่านมีปัญญาท่านมีบารมีพร้อมเราไม่พร้อมเราไปเดินหรือเราไปเพียนยนเท้าแตกตาแตกอันนี้สงคือเท้าแตกตาแตกแต่ปัญญาทำไปไม่ได้ก็ต้องมานั่งคิดตรงนี้เหมือนกันก็ต้องผ่อนแต่ว่าอาการผ่อนนี่ยังหาจุดพอดีไม่ได้ ตรงพอดีไม่ได้แนละ้วมันยังเป็นปัญหาที่เรายังไม่มีที่เขาเรียกอุปายะโกศลเราเราอาจจะยังไม่พอก็ปัจจัยปัจจัยเนี่ยหลายๆรวมเราลองมานั่งช่างอยู่ก็ว่าพยายามที่จะทําให้ดีขึ้นโดยทบทวนความรู้แต่บางทีเนี่ยเวลาทางโลกก็ดีสุขภาพก็ดีก็คงต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับแต่ก็คิดว่าพยายามเพียรอยู่นะครับแต่ไม่ได้ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรก็ยอมรับนะครับก็ปัญหา ปัจจัยเหล่านี้อุปสรรคเหล่านี้มันมันมันมีส่วนก็ก็เรียนกลับเรียนพระอาจารย์ด้วยแล้วก็เล่าให้สหธรรมิกฟังด้วยนะครับว่ามันก็เพียนไม่ได้จริงๆยังๆแต่ก็จะพยายามก็ยังได้กำลังใจจากพระอาจารย์อย่างหนึ่งคือถ้ายังไม่ได้ก็ให้ทำบุญและตั้งความปรารถนา มีปรั ส, สนาสูงๆูงมันได้บางทีก็เอาฐานเอาศีลไปก่อนเป็นหลักไปอะไรไปกระทบทวนอยู่อย่างนี้ก็คงจะเล่าสภาพอย่างนี้ให้เป็นการเล่าด้วยเป็นการตอบคำถามไปในตัวด้วยถ้าเห็นว่าอะไรที่ควรจะแนะนำหรือจะให้ข้อคิดเพิ่มเติมก็จะเป็นการดีผมจะได้นำไปปรับปรุงใช้อีกขอบพระคุณครับ ตอนผมเป็นเด็กเรียนอยู่ชั้นมศสองมีพระครูคนหนึ่งชื่อพระครูปรัดทวีมาสอนนักรมตีนักรมโทผมก็เรียนเป็นเรียนอยู่เขาตอนเย็นเขามาสอนตอนเย็นเป็นพระชื่อพระครูประัดทวีผมยังจำได้เลยเขาบอกว่าคํานิยามของคําว่าธรรมะก็คืออะไรก็ได้ที่มันมีอยู่ตะปูก็เป็นธรรมะโต๊ะก็เป็นธรรมะเก้าอี้ก็เป็นธรรมะเขาที่บารแบบเนี้ยผมหูพึงเลยแล้วแล้วมันตรงคําตอบที่ถามไมยัง ที่มาถา ม, ถา ม, มาถามว่าอะไรเมื่อกี้ถามว่าทำไมไม่พิจารณา <c oughs> ผมก็จะไล่ฟังเนี่ยคือคือยาวมากครับ <c oughs> คือเขาสอนว่าร่างกายคนเราเนี่ยเหมือนถังขยะตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าอะไรเนี่ยมันอยู่ในท้องเนี่ยมีแต่ของโสโครผมก็พิจารณาแบบนี้ตั้งแต่เรียนตอนนั้นที่พระครูประหาทเวียที่อธิบายเรื่อง สุภกรรมฐานเนี่ยผมก็พิจารณาแบบนี้พิจารณาเรื่อยมาผมเห็นคนนี่ก็เห็นเหมือนหุ่นน่ะในในกระโหลกในมีลูกตาเท่าลูกไข่เป็ดอะ่ะกิ้งไปกิ่งมาอยู่ในนีน้แล้วก็มีสมองแล้วก็มีลิ้นมีฟันเลยเนี่ยเหมือนหุ่นยนต์เน่ยผมมองคนผมก็มองแบบเนี้บางทีมันก็ขึ้นขึ้นวิถีบางทีมันก็ไม่ขึ้นมันก็เป็นคนตามเดิมผมก็มองแบบเนี้แล้วตอนที่ผมเรียนนักรามนั้นผมก็ถามพระครูประหลาทวีบอกคนเราตายหรือเกิด คนเราตายแล้วไปเกิดหรือไม่ท่านก็บอกว่าท่านตอบไม่ได้แต่เขามีเรียนกันที่กรุงเทพความรู้ท่านไม่ถึงผมก็สงสัยมาตั้งแต่เด็กอเออถ้ามันไม่ตายแล้วจะไปถ้ามันตายแล้วไม่เกิดจะปฏิบัติธรรมไปทําไมตายแล้วมันก็ไม่เกิดอยู่ดีผมสงสัยข้อนี้มันหนาแล้วจนมาอยู่กรุงเทพอะไปเรียนกับอาจารย์บุญมีเมธังกูลเขาสอนเรื่องความตายความเกิดผมถึงหายสงสัยอยู่ในอภิธรรมเรียนอภิธรรมกันที่กรุงเทพ แล้วตั้งแต่นั้นมาผมก็หายสงสัยเรื่องความตายความเกิดและจิตมันก็โล่งไปเลยมันสงสัยมาตั้งแต่เด็กแลว้วมันไปเรียนแล้วก็โล่งไปเลยหายสงสัยไปเลยเรื่องเรียนเรื่องวิธีจิตเรื่องอะไรความตายความเกิดทุกวันนี้ผมก็ยังติดอยู่ในเสียงเพลงผมจะฟังธรรมนลต้องเอาเพลงมาเปิดฟังธรรมไปด้วยฟังเพลงไปด้วยไอ่านหนังสือธรรมมาไปเอาเพลงมาเปิดฟังไปด้วยแล้วอ่านไปด้วย ผมยังติดในเสียงเพลงอะแล้วผมก็เล่นดนตรีไทยมีขิมคุยซออู้สอดวงอะไรเนี่ยว่างๆก็ ม, มานั่งซ้อมผมยังละละกามไม่ได้ยังเล่นดนตรีอยู่มันก็ทําทั้งบุญ ท, ทั้งบาศในปาปนกันไปเสพกามมั่งพิจารณาวิปัสสนามั่งแต่เท่าที่ผมสนัดผมก็พิจารณาแบบอสุภะคือเห็นร่างกายคนนี้เป็นถางขยะแล้วมันก็หายหายไอ้กามเมื่อกี้เหล็มันก็เบาบางลงไปไม่งั้นไปเห็นคนสวยๆเนี่ยมันนึกรักเ่ย ตอนเป็นเด็กอะผมดูหนังอ่านหนังสือนิยายอ่านอะไรเนี่รักนางเอกหนังรักนางเอกนิยายดูหนังก็รักนางเอกหนังอ่านหนังสือนิยายก็รักนางเอกนิยายแล้วตอนหลังนี้ผมมาพิจารณาคนเป็นอสุภราเป็นถังขยะตับไตใส้ทุงอาหารใหม่อาหารเก่าเนี่ยกามกามมาข้ามันก็ลดลงไปทุวันนี้ผมก็ยังฟังเพลอยู่ยังเสพกามอยู่เรียนดนตรีมาตั้งแต่เด็กจะเล่นจะทิ้งมันก็เสียได้อมันเล่นมาตั้งนานแล้วตั้งหลายปีแล้วตั้งแต่เป็นเด็กจนแก่แล้ว ก็ยังเล่นอยู่จะทิ้งก็ยังเสียดายแค่นี้แหละครับคือตามที่พระอาจารย์ตั้งคำถามเนี่ยนะฮะคือว่าพิจารณาตัวเองแล้วก็คือความรู้อย่างน้อยนะฮะ ก็เลยคิดว่าจะต้องศึกษาให้มันจบนะแล้วก็แต่ว่าไม่ใช่ไม่พิจารณานะคือว่าถ้ามีอะไรมากระทบเนี่ยเราจะเราจะพิจารณาทันทีเลยคือคือเราไม่ไม่ไม่ลืมไอ้สิ่งที่เราได้ศึกษามาแล้วนะแล้วจากการที่ศึกษามาพระ พ, พิธรรมมาตาปิดกมาพอสมควรเนี่ยก็มีความคิดขึ้นว่าวิชานี้แปลกกว่าวิชาอื่นแปลกที่ตรงที่ว่ามีแต่คําสอนแต่ไม่มี ผลติดตามนะไม่มีการสอบไม่มีผลติดตามว่าไปถึงไหนแล้วแต่ว่าผู้อ่านเนี่ยจะนำไปประพฤติปฏิบัติเอาเองก็เลยว่าเป็นวิชาที่แปลกเลยทำให้คนที่ไม่ค่อยมีมานะเท่าไหร่ก็อ่านแล้วก็คงจะผ่านผ่านไปแล้วทำนองนั้นนะฮะแต่ว่าสำหรับตัวท่านเองก็จับจุดได้ว่าเออนี่นะท่านสอนนะแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องทำตามที่ท่านสอน แต่ว่าจะทําได้แค่ไหนเนะี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับความรู้นะคะเพราะว่ายิ่งเรียนไปเรียนไปรู้สึกว่าความรู้เนี่ยมันถอยลงไปทุกวันนะมันทําไมเราเรียน้อยก็ไม่ทราบอะไรเนี่ยก็ก็คิดว่าที่ผูาจารสอนเนี่ยนะฮะได้ประโยชน์กับชีวิตประจําวันเนี่ยมากที่สุดน ะ, ะเพราะว่าวันวันหนึ่งนี่นะฮะอยู่กับการอ่านเนี่ยไม่ต่ํากว่าสี่ชั่วโมงทุกวันนะฮะไ ม, ไม่เคยทิ้งเลย นำมัส ก, การค่ะเมื่อก่อนที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยฮะพ่อโง่ค่ ะ, องงคะอยอารับว่างโง่ทั้งๆ ท, ที่รู้นะฮะสารพัดแต่มันงโง่ไม่ทราบอะค่ะเลยไม่ได้ปฏิบัติค่ะอวิชชาค่ะก็เป็นคนมีปัญญาน้อยค่ะแล้วก็โทษของวัตตะด้วยต้องแสวงหาก็เลย ต้องมาทุกวั น, ท, วนทุกวันเพื่อเพิเ่มปัญญาของตัวเองขึ้นมาค่ะอชูศรีนี้คิดว่ามนุษย์เหล่านี้ถ้าเป็นบุรชนอยู่นั้นยังจะให้ค่าของประโยชน์สูงสุดนั้นน้อยไปหน่อยจะมองค่าของมนุษย์หรือว่ามองคุณค่าของโลกนี้หรือชาตินี้มากกว่าอย่างอชูศรีนี้ ก็ยังมีสังโยชน์อยู่เกือบเต็มเลยคิดว่าตัดไปได้แค่สองตัวอีกตัวหนึ่งนั้นที่พยายามจะ ต, ตัดอยู่นะคะมันก็ข้างที่จะยากก็จะต้องว่ายทวนกระแสน้ำนะคะเพราะว่ากระแสน้ำหรือว่าที่ต่านั้นมีแรงดึงดูดมากกว่าก็เลยคิดว่ามองมองประโยชน์โลกหน้านั้นเอาไว้ทีหลังแล้วมองประโยชน์โลกนี้ มาอันดับต้นก่อนนะคะก็เลยให้การปฏิบัตินั้นค่อนข้างที่จะไม่เข้มขดไม่เข้มข้นนะคะก็มองเห็นได้ว่าพวกอาสวะโอคาโยคะสังโยชนี้นที่พระพุทธองค์ทรงให้รู้แล้วก็ให้เราทำความทความกำหนดรู้แล้วก็พยายามที่จะตัดออกให้ได้ก็พยายามอยู่แล้วนะคะแต่มีความมั่นใจว่าตัดได้แค่สองตัวของสังโยชน์ที่พยายามที่จะให้เหลือชาติสุดท้ายอยู่ชาติที่8 ก็ยังอีกนานค่ะไม่ทราบว่ายัางไม่ทราบว่าพบนี้ชาตินี้ที่จะสมปรนนาหรือเปล่าแต่ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ไม่ยากนะนี่คือความนี่คือแค่ความรู้สึกแต่ปฏิบัติจริงๆแล้วยากนะคะฉะนั้นสรุปก็คือคนเรานี้ถ้าให้คุณค่าของสิ่งไหนมาก่อนก็จะเล่งขวนขวายสิ่งนั้นก่อน แต่ว่าถ้าให้คุณค่าน้อยก็จะมองไม่เห็นคุณค่าคือจะไม่มีความพยายามไม่มีความขนนขายในการที่จะเร่งปฏิบัตินะคะอย่างเช่นชูสีขณะนี้ก็มีความมีความเห็นว่าคุณค่าของมนุษย์หรือคุณค่าของโลกนี้นั้นมีความจําเป็นที่จะต้องประทับก่อนออมองเห็นว่าสิงเหล่านั้นเอาไว้ก่อนอย่างที่อาจารย์เกิสุราเมื่อไหร่ก็ได้อย่างนี้นะคะค่ะก็ขอจบลงแค่นี้นะคะ มันอะไรไม่ต้องไม่ก็ได้มันยังไงรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีปัญญานะมันโง่เหมือนกันยังโง่อยู่ค่ะยังโง่อยู่แล้วก็มันยังไงมันเฉยเฉยมันไม่ได้ประสบจริงเหมือนกัทุกทุกๆุพูดไปถึงเฉยเยมันไม่ประสบจริงมันไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะคะมันมันยากมันทวนกระแสนะคะคิดได้เป็นอย่างนั้นนะคะ ตั้งตั้งอาสาสมอนนี้ที่ว่าจะเรียนต่อไปนีนะ่คุณนายค <c oughs> หน้าห้องนี้จะหลงลูกห้องแลเออสำหรับ ส่ผมก็ผมผมคิดว่าความเลวร้ายทั้งหลายยังมีน้อยไปยังมาไม่ถึงตัวผมหรือยังหาตัวผมไม่ไมเจอนันอันที่หนึ่งถ้ามาขั้นที่สองถึงหาเจอบรรดาความเลวร้ายทั้งนั้นก็คงใจดีพอที่จะปล่อยผมไปก่อนอยังยังไม่เอาในตอนนี้ หรือถ้าถ้าเขาจะเอาผมคิดว่าผมหนึ่งอดทนได้ ม, มั่นใจในตัวเองว่าอดทนได้มผมกับเรียนท่านอาจารย์ตั้งแต่แรกเจอกันว่าผมอดทนได้หรือไม่อันที่สองผมฉลาดพอที่จะเอาตัวรอด <laughs> เพราะว่าตลอดชีวิตมันมันกล้่ได้ ไม่ไม่ไม่เคย จ, จนมุมแต่แต่ก็ยังบางทีก็ยังรอดูอยู่เหมือนกันว่าหน้าตาของไอ้เจ้านั่นมันเป็นยังไงจะจะสู้เราได้ไหมคุณนมาสการท่านอาจารย์ คิดว่าตัวเองยังมีความรู้น้อยค่ะและอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ากระแสของโลกมันแรงเราซึ่งตัวเล็กตัวน้อยมันเหมือนกับว่ายทวนน้ำนะมันบางครั้งมันก็เหมือนกับรู้สึกตัวก็คิดได้แต่ว่าการว่ายทวนน้ำหรือทวนกระแสเนี่ยมันก็ยากอะค่ะยิ่งยิ่งสมัยนี้นะมันมีอะไรมาอใจเยอะ ที่จะต้องไปรีบทำอย่างอื่นเสียก่อนแต่ก็ก็ไม่ทิ้งนะคะก็ยังอ่านหนังสือแล้วก็ยังคุณพ่อคุณแม่สอนมาเพราะพ่อก็นอนวัดนะคะแม่ก็มั่นตั้งแต่คุณปู่คุณพ่ดมามันก็ไม่ได้หายไปไหนคะ่ะลูกๆ ก, ก็คงจะมั่นในพุทธศาสนาแต่ว่าก็คงมั่นอย่างคาลือหัดนะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้แหวกช่องออกไปเนี่ยคิดว่ายาก หมดแล้วใช่ไหมหัวหน้าห้องประเมินผล <laughs> ต่อกี้ที่ที่ตอไปไม่ได้หมายความว่าไม่ได้พยายามนะคะยังพยายามอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะรู้ตัวว่าไม่ดีก็ยังพยายามทำให้มันดีกว่าที่เป็นอยู่คะ่ะท่านอาจารย์เสียใจแย่ <laughs> ตอนนี้ฉลาดกว่าตอนนั้นเอาเ